ภาโรขอวินาสตุมาเตภว t o ตานตารโยสุกง กายุกมภาวะทิว า, านตนาสินลินสานิจางวุฒาปัจจายนาจินอนจัตตารวนธรรมาวาทธานทีอายุวันโอสุขัง อาลังกตุเอปัสนนานังอากังธรรมวิชาณตังอาเกหมดเถปัสนนานังดกคีเนยอนุตรเรอาเกธรรมเมปัสนนานังวิรังคุปสเมสุเกอาเกสรเถปัสนนานังบุญญาเขตเตอนุตระเรน อากาศสังิงนาหนังนดาดังอากางปุญญงปวัตเดียนอากางอายุเจวันโนจยยาโสกิติสุขังบลังอากาศดาตาเมธาวีอากาศธรรมสมาหิโต เทวคูโตมนุสวาคัปโตปโมดตีธิพวตุสาพมังกะลังราคันตุสาปเดวตาสามมา b u d d นุภาเวนะสนดาโสตีพะวันทุเดหาวตุสาพมังกะลังราคันตุสาปเดวตา สามาธรต ม, มานุภาเวนัสดาโสตีพระวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามัสัสงภานุภาเวนัสดาโสตีพระวันตุเต